ในช่วที่กรรมรู้สึกยังไงความกรรมแน่น ๆ, ๆน่นน่รู้สึกยังไงแล้วปล่อยไปรู้สึกยังไงเบาเช่แต่เร<ช>าเราไม่กรรมเราไม่มปกติอย่างนี้รู้สึกยังไงอย่าความรู้สึกถึงหนักถึงเบานีไยมันเป็นปรามัดยู่เป็นรูปเป็นนามเท่านั้นคือหนักเป็นรูปแต่ความรู้สึกก็เป็นนามมันมีความเป็นเราของเราอยู่ตรงนี้ไหมมันไม่มีนะแต่เวลาใครมา ตบมือเราปั๊บเนี่ยตบมือเราทําะไรเรามันเกิดขึ้นตองที่มันเกิดทบนั่นแหละนะความความเป็นเรามันเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่ารูปสามีภรรยาผู้เป็นที่รักมากระทบรู้สึกเป็นไงชอบใช่ไหมแต่คนที่เป็นศัตรูกันตบปั๊บนี่เป็นไงขึ้นปริ้เลยใช่ไหมมันจะพุ่งตรง ก, กันข้ามความเป็นเราก็จะมาถึงความพอใจไม่พอใจท่า น, นนี้นี่จูประทาน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 รู้เวทนาสัญญาสังขารมิ ญ, ญานใช่ความรู้สึกหนักเบาเนี่ยเป็นอะไรเป็นนามเป็น่วนเป็นเวทนาใช่ไห ม, ไมเป็นเวทนาเป็นนามอ่ะเป็นเวทนาในเวทนาที่เองไปสร้างอะไรสร้างสติ่ อ, อสร้างสัญญาสังขารญญมิญารจนอีสามตัวตามมานีย ถ้าไม่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเวทนานี่สําคัญถ้าสติมาทันที่เวทนาสามตัวนี้มันจะเป็นไม่ใช่สัญญาสังขารวิญญาณสามตัวนี้จะเป็นอะไรสติสมธิปัญญาอาศัยเข้าไปสัญญาก็เป็นสัญญาของสติสมธิก็เป็นอ่า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 แต่ถ้าว่าเวทนาคือความรู้สึกที่กระทบเนี่ยถ้าหากว่ามีความรู้ผิดเขออวิชาเข้ามาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะกลายเป็นโรคปวดหล ง, ล ก, ลงก็คิดในเรื่องโรคปวดหลงคิดเรื่องชอบแล้วไม่ชอบแล้วทีนี้มตูดหมอเข้าใจนะทันนะทันนะเราจะเห็นว่าถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาเราไปทำมันมีผลตอ่อการกระทำมีผล่คือทำแบบไม่ดังเล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 แต่เขาหมดสามยี่สิบประการทำไมไม่เอาตัวอื่นเป็นฐานไม่เอาปัญญาเป็นฐานไม่เอาสมาธิเป็นฐานไม่เอาอเปรคาเป็นฐานไม่เอาโพษชงเป็นฐานล่ะทําไมเอาสติเป็นฐานเพราะมันเป็นตัวแรกที่จะเป็นใหญ่ฉันใช้คำว่าอธิปไตยทำทางปวงมีเป็นสตตาสตาที่ปไตยคือมีสศรเป็นใหญ่เป็นระบบการปกครองทั้งหมดแต่ทําตัวอื่นเป็นส่วนช่วยเช่นอะไรฉันทะ เป็นตัวฉันถ้าเป็นตัวรากตัวมูลฐานคือมีความรักต้องทำก่อนสันาทารศานเนี่ยมีศรัทธาเป็นรากเป็นฐานนะแล้วก็มีสมาธิเป็นตัวประมุขสมาธิประมุขขากืเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำแล้วก็มี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 เอามาสมการกันใช่ไหมเอามาแมดแมันเห็นวครข้างนี้ยันเป็นอย่างนี้นข้างนี้มันแมทกั น, น, นลงตัวท่านใช้คำว่าสัมมาสมะตัวเนี่ยส ม, มาการเอามาใช้คำว่าสัมมาแปลว่าอะไรก็ว่าถูกต้องใช่ไหมสมมาทิฏิสม า, าทิทีนี้พอโยมทําอย่างนี้ปั๊บเนี่ย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 นั้นเวลาล้างนล้วมันจะเป็นขุ่นคลักเลยใช่ไหมเพราะคุ้นแล้วเราก็ปั้มทิ้งไปเลยแล้วก็หรือทิ้งไปทั้งหมดตอนสิ่งที่เกิดเป็นใหม่เพื่ออคติสัมยะเหมือนน้ำใสใสใสเข้าไปแทนเมื่อก่อนมีความคิดความเป็นตัวเราตัณหาอุปทานตกตะกอนนอนค้นอยู่ใต้ใต้ตุ่มนั่นแหละเราก็มาขวนมันขึ้นมาถึง ส, สมัมมาธิสแต่เป็นสมัมาิของวิชาตัณหาอุปทานไม่ใช่สมาิของตัววิ ช, วชา